ต้นเนี่ยสว่างเนี่ยแต่ว่าปลายมืดหรือว่าปลายนี่โผรเพ ล, เลย์ไปเลยอย่างเชน่นพระสุทินเนี่ยพระสุทินก็มีบทน่าสนใจตอนที่เป็นคาราวาดก็เป็นคนที่สนใจธรรมะเป็นลูกชายของข้าบ ด, ดีอาชีรำรวยไปฟังธรรม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 พระรัฐบาลเนี่ยออกบวชได้ก็เพราะว่าประท้วงพ่อแม่นี่แหละอดอาหารอยู่นานจนร่างกายผ่ายผอมพ่อแม่กลัวลูกจะตายก็คิดว่าเออยังไงให้ลูกได้บวชนะยังดีกว่าปล่อยให้ลูกตายนะก็เลยอนุญาตพอได้บวชในพระสุทินก็ตั้งใจปฏิบัติมาก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 ว่าพระสุทินนี่ไปมีไปเสด็ถุนกับอดีตเมียก็ไปทุนฟ้องผู้เจ้าสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการาบัญญัติสิขาบทในเรื่องปฐมไปเรื่องในเรื่องปาราชิกนะมีแต่สิขาบทเล็กน้อยเช่นไม่ชั้นอาหารในเวลาวิการเนี่ยมันมีสิขาบทเล็กน้อยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะแต่เรื่องการ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 อดีตภรรยาแล้วก็ลูกชายที่เกิดนี่ก็บวชทั้งคู่นะแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เลยพระสุทินไม่ได้เป็นนะก็คงปฏิบัติได้ไม่ไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่แต่ทั้งอดีตภรรยาแล้วก็ลูกชายก็ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งคู่ก็ถือว่าพระสุทินนี่ก็ได้ทำประโยชน์ให้กับพระาศาสนานะทำให้มีพระอรหันต์มีส่วนทำให้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นถึงแม้ว่า จะถูกตำหนนะิว่าได้สร้างความดังพร้อยให้กับวงการคณะสงฆ์ในสายวัตุการก็ตามอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับนะต้นสว่างนะีแต่ว่าปลายมืดถนะึงแม้จะไม่มืดสนิทนะอย่างพวกที่เป็นพระทุศีลหรือว่ า, าทำชั่วไปหลอกลวงผู้คนมีแบบนี้มีเยอะนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปลายมืดนะ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 เทวทูตสามคนแก่คนป่วยคนตายทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นโทษของวัตตะสงสารนะแล้วอยากจะหาทางพ้นทุกข์แล้วก็ตอนที่เจ้าอ อ, อกบวชเนี่ยนเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยอัญชันนาก็มีส่วนรู้ด้วยนะคราวนี้เนี่ยพอพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับกรุงเกเบลพั์หลังจากที่ทรงตัด ส, สัตวัสมะสมุทิญาณแล้วนะอัันนก็ ปรารถน่อจะออกบวชพร้อมๆกับพระญาติตอนนั้นนี่ก็มีคนออกบวชเยอะพระอานนท์พระเทวทัตเนี่ยบวชก็ตอนนั้นแหละรวมทั้งชนนะด้วยนะชนะมาบวชแล้วเนี่ยนะก็ถือตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือตัวตัวเองเนี่ยนะเป็นคนพิเศษก็พูจาคม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 จนถ้าพระพุทธเจ้าตอนที่ปรณิปริพันเนี่ยก็ฝากบอกพระอนนท์ว่าเมื่อพระองค์ปัิปิพานแล้วเนี่ยให้คณะสงฆ์เนี่ยลงพรมทันพชัชชนะเพราพระองค์เนี่ยเรียกว่าไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงกับพชัชชนะแล้วนะนี่ขนาดพุทธเจ้านะอันนี้พอเจ้าเสร็จปัณิปริพัน์แล้วก็พอเสร็จเรื่องการอถอยพระเพลิงปวงศิริราของพระองค์นเนี่ยพระพระอนนท์ก็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 ไม่สนธนาไม่คบค้าสมาคมและไม่สอนพอพระชนะได้ยินที่ใช่นั้นเนี่ยตกใจนะเป็นลมเลยฟื้นขึ้นม า, าล้ลึกดาวตัวเองถูกลงพระมาณเป็นลมอีกครั้งหนึ่งสุปแล้วเป็นลมอีกสามครั้งนะเพราะรู้สึกว่าเป็นโทษที่หนักมากคราวนี้แหละสำนึกผิดเลยนะกลับมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประพฤติตัวเรียบร้อยนะไม่พูดจาข่มขีใครต่อไป เพราะว่าถูกลงโทษหนักแบบนี้เนี่ยนะไม่มีคนสนใจไม่มีคนพูดจาพูดคุยด้วยก็ตั้งใจปฏิบัติจนท่านในสุดนะก็บรรลุอรหัตผลนะเป็นพระอรหันต์น่าสนใจนะจากคนที่ดื้อด้านนะดื้อด้านตลอด 45, สี่สิบห้าพันาที่ทำตัวนี่ปวนคณะสงฆนะ์ผู้เจ้านี่ลงโทษกี่ครั้งนะก็ไม่สำนึกผิดอย่างแท้จริง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 ในในสายพุทธการณี่มีคนแบบนี้เยอะนะคนประเภทที่เรียกว่าพวกดื้อยากเนี่ยเป็พวกที่ประพฤติตัวที่ไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยแต่ตอนหลังนี่กลายเป็นพระรหัสนอย่างบางกลุ่มเนี่ยบางท่านเนี่ยนะชอบส่งเสียงเอะโวยวายนะจนท่านผู้เจ้าตัดปา น, นามนะไล่ไปเลยนะออกจากใช้ตะ ว, วันไม่ต้องมาอยู่แล้วเนะี่ยส่งเสียงดังรบกวนผู้คน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 เหมือนอย่างช่างหม้อนะเออเราจะขนาบแล้วขนาดอีกนะกับพวกเธอจะไม่ทนุถนอมนะเหลืองเหมือนกับช่างหม้อเนี่ยที่อ่าเรียกว่าขนาดแล้วนะตบแล้วตบอีกเนะี่ยดินจนกว่าดินเนี่ยจนกว่าเครื่องปั้นเนี่ยมันจะสวยจนกว่าหม้อนี่จะงามพวกเราเนี่ยนะอ่าบางครั้งเนี่ยนะเมื่อถูกขนาบเมื่อถูกตํานิติดเตียนเนี่ยนะลอง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 วันหนึ่งเดินบินธบาตแม่เห็นนะตอนนี้เป็นพิสูต์นีแล้วนะก็วิ่งเข้าไปหาปรากฏว่าหกล้มสะดุดหินนะพ่อกุมากัสปะากซึ่งตอนนั้นก็ไม่น่าจะเป็นสา ม, มเณรหรือเปล่าก็เห็นนะแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยแม่เนี่ยห่วงเรามากนะ ย, ยึดติดเราเนี่ยถ้าห า, าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่มีทางที่จะ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 ปาถนาดีกับลูกนะแต่ลูกเนี่ยมาพูดกับเราอย่างนี้นะก็เกิดความก็เลยตัดใจนะต่อไปนี้ฉันไม่สนใจลูกแล้วฉันตั้งใจจะปฏิบัติปราก็ว่าภายในวันนั้นเนี่ยนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ภายในวันเดียวกับที่ถูกตำหนิเนะี่ยถูกลูกตำหนิว่าเนี่ยไปทำอะไรอยู่เนะี่ย